ธรรมบทแปลเรื่องที่เจ็ดสเรื่องพระสารีบเทเถระภาคที่สี่เรื่องที่หกของวครคที่เจ็ดอรหันตะวรกวรณน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบพระสารีบุเทเถระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าปทวีสมโมเป็นต้นความพิสดารว่า ในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรออกพรรษาแล้วใครจะหลีกไปสู่ที่จาริกจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วออกไปกับด้วยบริวารของตนภิกษุทั้งหลายมากแม้อื่นตามส่งพระเถระแล้วก็พระเถระปราศัยกับภิกษุทั้งหลายผู้ปรากฏอยู่โดยสามารถชื่อและโคตร โดยสามารถชื่อและโคดแล้วจึงบอกให้กลับภิกษุผู้ไม่ปรากฏด้วยสามารถชื่อและโคด ร, รูปใดรูปหนึ่งคิดว่าโอ๋หนอพระเถระยกย่องปราศัยกับเราบ้างโดยสามารถชื่อและโคดแล้วพึงให้กลับพระเถระไม่ทันกำหนดถึงท่านในระหว่างแห่งภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแม้ภิกษุนั้น ผูกอาฆาตในพระเถรวะว่าพระเถระไม่ยกย่องเราเหมือนภิกษุอื่นทั้งหลายมุมสังคาติแม้ของพระเถระถูกสรีระของภิกษุนั้นแล้วแม้ด้วยเหตุนั้นภิกษุนั้นก็ผูกอาฆาตแล้วเหมือนกันภิกษุนั้นรู้ว่าปัดนี้พระเถระจากล่วงอุปจารวิหารจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทุนว่าพระเจ้าข่าท่านพระสารีบุตรประหารข่าพระองค์เหมือนทำลายหมวกหูไม่ยังข่าพระองค์ให้อดโทษแล้วหลีกไปสู่ที่จาริกโดยสำคัญว่าเป็นอัครส า, าวกของพระองค์พระศาสดารับสั่งให้เรียกพระเถระมาแล้วในขณะนั้นพระมหาโมคลานะเถระ และพระอานนเทียระคิดแล้วว่าพระศาสดาไม่ทรงทราบความที่แห่งภิกิสุนี้อันพี่ชายของพวกเราไม่ประหารแล้วก็หาไม่แต่พระองค์จกทรงประสงค์ให้ท่านบรรลือศีห์นาาเราจักให้บริษัทประชุมกันพระเถระทั้งสองนั้นมีลูกดานอยู่ในมือเปิดประตูบริเวณแล้วกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจองออกท่านผู้มีอายุทั้งหลายจองออกปัดนี้ท่านพระสารีบุตรจากบุรีสีห น, ะนาฏในเบื้องพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคให้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมกันแล้วฝ่ายพระเถระมาถวายบังคมพระศาสดานั่งแล้วลําดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเนื้อความนั้นกับพระเถระนั้นแล้ว พระเถระไม่กลาบทูลทันทีว่าภิกษุนี้อันค่าพระองค์ไม่ประหารแล้วเมื่อจะกล่าวคุณระถาของตนจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าสติเป็นไปในกายอันภิกษุใดไม่พึงเข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบกระทั่งสะพพมจารีรูปใดรูปหนึ่งในาศาสนานี้ไม่ขอโทษแล้ว พึ่งหลีกไปสู่ที่จาริกแน่ดังนี้แล้วประกาศความที่แห่งตนมีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเสมอด้วยน้ำไฟลมผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานโคอสุภะมีเขาขาดความอึดอัดด้วยกายของตนเหมือนซากงูเป็นตน้นและการบริหารกายของตนดุดภาชนะมันค้นโดยในเป็นต้นว่า พระเจ้าค่าบุคคลย่อมทิ้งของอันสะอาดบ้างย่อมทิ้งของอันไม่สะอาดบ้างลงในแผ่นดินแม้ฉันใดก็แลเมื่อพระเถ ร, ระกล่าวคุณของตนด้วยอุปมาเก้าอย่างนี้อยู่แผ่นดินใหญ่ไหวจนที่สุดน้าในวาระทั้ง9้าแล้วก็ในเวลานำอุปมาด้วยผ้าเช็ทุลีเด็กจันทานและภาชนะมันค้นมา ภิกษุผู้ปุตุชนไม่อาจเพื่ออดกลั้นน้าตาไว้ได้ธรรมสังเวชเกิดแก่ภิกษุผู้ขี่นาศบทั้งหลายแล้วเมื่อพระเถระกล่าวคุณของตนอยู่นั่นแลความร่อร้อนเกิดขึ้นในสรีระทั้งสิ้นของภิกษุผู้กล่าวตู่แล้วทันใดนั้นแลภิกษุนั้นหมอบลงใกล้พระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคประกาศโทษในพระความกล่าวตู่ด้วยคามันไม่จริง แสดงโทษล่วงเกินแล้วพระศาสดาตรัสเรียกพระเถระมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมคะบุรุษนิเสียตลอดเวลาที่ศีรษะของเขาจากไม่แตกโดยเจตเสียงพระเถระนั่งกระโยงประคองอัญชรีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ยอมอดโทษต่อผู้มีอายุนั้น และขอผู้มีอายุนั้นจงอดโทษต่อข้าพระองค์ถ้าว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่ภิษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไม่ต่ำสามพระเถระไม่กระทำความโกรธหรือความประทุษร้ายแม้มีประมาณน้อยในเบื้องบนของภิษุ์ผู้กล่าวตูด้วยมุสาว่าชื่อเห็นปานี้ตัวเองเทียว นั่งกระโยงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นหดโทษพระสัสดาทรงสดับคาถานั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันภิกษุทั้งหลายกลัาบทูลว่าคาถาชื่อนี้พระเจ้าข้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครใคไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษร้าย เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสารีบุตรได้ภิกษุทั้งหลายจิตของสารีบุตรเช่นกับด้วยแผ่นดินใหญ่เช่นกับเสาเขื่อนและเช่นกับห้วงน้ำใสเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าปัทวีสโมโนวิรุจติอินเดคีลูปโมตาดิสุปโต ระหดวะอเปตกัตตโมสร้างซารานภวันติตาดิโนติพิกษุใดเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีวัดดีมีกิเลสดังเปลือกตมไปปราดแล้วเหมือนห่วงน้ำปราศจากเปลือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พิกษุนั้น ผู้คมที่แก้อัดเนื้อความแห่งพระคาถานั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นบ้างย่อมทิ้งของไม่สะอาดมีมูดและกรดเป็นต้นบ้างลงในแผ่นดินอันหนึ่งเด็กเป็นต้นย่อมถ่ายภาษาวะบ้าง ย่อมถ่ายอุจาราบ้างรถเสาเขื่อนอันเขาฝังไว้ใกล้ประตูเมืองแต่ชนทั้งหลายพวกอื่นย่อมสการะเสาเขื่อนนั้นด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในเพราะการทานั้นความยินดีรหรือความยินร้ายย่อมไม่เกิดแก่แผ่นดินหรือเสาเขื่อนนั่นแลฉันใดภิกษุผู้ขีนาศบนี้ใด ชื่อว่าผู้คงที่เพราะความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้งหลายแปดชื่อว่าผู้มีวัดดีเพราะความที่แห่งวัดทั้งหลายงามภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อชนทั้งหลายทำสการะและอสการะอยู่ย่อมไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายทีเดียวว่าชนเหล่านี้ย่อมสการะเราด้วยปัจจัยสี่แต่ชนเหล่านี้ ย่อมไม่สการะโดยที่แท้ภิกษุผู้ขี่นาศพนั้นย่อมเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินและเป็นผู้เปรียบด้วยเสาเขื่อนนั่นเองก็ห่วงน้ําที่มีเปลือกตมไปปราดแล้วเป็นห่วงน้ําใสฉันใดภิกษุผู้ขี่นาศพนั้นชื่อว่ามีเปลือกตมไปปราดแล้วโดยเปลือกตมทั้งหลายมีเปลือกตมคือราคะเป็นต้น เพราะความเป็นผู้มีกิเลสไปปราดแล้วย่อมเป็นผู้ผ่องใสเที่ยวฉะนั้นบทว่าตาดิโนความว่าก็ชื่อว่าสงสารทั้งหลายโดยสามารถแห่งการท่องเที่ยวไปในสุคติและทุกคติทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นคือผู้เห็นปน่านี้ในเวลาจบเทศนาภิกษุก0าพรูปบรรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายดังนี้แลเรื่องพระสารีบุตรเถระ